เดินทางเหมือนกันพวกเรามาโรง เอากายเป็นเรือเอาสติเป็นหาง เพราะฉะนั้นสัลัพพบัติก็ทิ้งก็ทิ้ง <c oughs> สวรรค์ไปทัวนรกได้เปิดโลกนําเอาเรื่องของมรดกออนรกมาพูดให้มนุษย์ฟังไอ้เรื่องสวรรค์มาพูดให้ สมัยที่เขาเป็นมนุษย์เขาได้ทําบุญรักษาศีล พร้อมที่จะทําได้และทําให้ได้ด้วย อาการโทกามันโกรธธรรมันวิตกกังวลไม่มีความรู้อ่ะเรียกว่าเรือไม่มีหาง <c oughs> เงินหมายถึงเป็นประโยชน์เครือคูณสร้างขึ้นมาให้ความยืนเยี่ยมแก่ใสซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่ได้ช่วยแต่ว่าเรามีน้ำใจลึกๆ ถ้าจะให้ทํางานเหมือนกันสม่ําเสมอทั้งหมดก็ไม่ได้ต้อง ถ้าเราจะปฏิบัติอย่ามีอคติใดๆต่อกันและประกอบไปด้วยเมตตาประกอบประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและหลังของเพื่อนภิกษุ เราว่าห้อมออกกันเดียวกันล่ะงานการงานต่างๆงาน <c oughs> บางครั้งอาจจะเรียกอ่านหรําข่าวไปช่วยกันตามโอกาสก็ไม่เป็นไรจะถือ ของส่วนตัวของส่วนบุคคลพวกผู้อื่นเพื่อเพื่อนเพื่อมิตรผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของพวกเราผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นอ่า แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสิ่งแวดล้อมไม่ ผมจะยอมให้กติพระพรเจ้า อ่ากติลั่วต้องไปเลือกพระองค์ อะไรว่าอธิการคือเจ้าหน้าที่ในกิจการนั้นๆขอ พูดต่อไปทําให้อาคันธุกะที่มาเขาหายใจโล่งเออเหมือนเราไปวัดเขาอ่าเราขอเจ้า นี่เด้อสงเวย 2 ปี 3 ปีไม่หมดหายใจในโลกนะมันหายใจฝืด ให้เปิดประตูเข้าไปไปหาที่หลับที่นอนบนศาลามีมีหมอนมีหมุกกราบไปประสงค์กับพระเทศนาเดินเข้าไปข้างในหลังไหนว่าขอถามพระพระท่านจะรู้อ่าก็ขอให้ มันก็ให้โลกไม่ลัวไว้น่ะให้หายใจฝึกโดยเฉพาะวัดเก่าเนี่ยบางทีไม่ได้ติด <c oughs> มันบางทีเราไปดูว่าเขาอาจจะดูสักชั่วโมงนึงจบเลยแต่วัน เราไปวัดใช่ว่าต่างๆพอในโลกก็จะไม่เสื่อม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาเล็กน้อยๆไปเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติบางทีรำใจ กำลังถนอมอารมณ์ปฏิวัติกําลังด้วยความสงบเข้าไปพูดเลยนี่ไม่ค่อยสํารวมก็ทําให้เพื่อนของเราตื่นตกใจแล้วก็สมาธิก็ก็หาย <c oughs> ไปพูดในเขาคลายอุตสาหะไปสร้างความภุกรีไปสร้างความอ่าสึกษะลึกคือโคม ไปโดยจัดกำรวมควันเดินอ่าพอส่งเราเนี่ยเดินน้อยทําให้สวยงามเท่าไหร่หรอถึง อ่าฝนตกก็เดินเอาอ่าไม่ต้องรีบนะให้มัน มณฑาโผกนางเหมือนหายศูนย์โผกด้วยไมตรี ทำเหมือนเที่ยวค้นหานะสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาโหนดเต่าเผาตายเผาเลยถูกให้เคยมองแต่ดีมีคนดีอันนี้อาจารย์พระธาตุประจํามาน่ะก็เรามองอะไรมันลื่นๆจังหน่อยให้แต่ปฏิบัติธรรมอยากให้มองอย่าให้มีกระทบกระเทือนเอิกอกเอใจเอ้อ มันลื่นลืดมีวิธีที่มันลื่นลืดนะมันลื่นมันลูดได้รถดีๆมันมันลูดได้ถนนกูก็เพิ่น หัดไผ่หัดจุดหัดเจ็ดยืดหยุ่นยิ้มแย้มยินยอมยืดหยุ่นยิ้มแย้มยิน <c oughs> การทําอะไรหัดให้ อ่าความเพียรอย่าให้ขาดแคลนถ้าทำดีก็ละความชั่ว ปัญกาญคมก็สอบยาวาณาคืออ่าคือคนยังเป็นๆอยู่เนี่ยมีความช่วยช่วยสติสติก็ต้องอาศัยสิ่งที่ปลูกที่ที่ฝัง อ่าไม่ลุกลี้ลุกลนเป็นเป็น โดยเพราะการเจริญสติแบบสติปัฏฐานเนี่ยมันไปเดียวหัวจุ่มกันไว้ หญ้าอีเขียวปลูกแล้วเดี๋ยวหญ้าจุ่มกันหน่อยอือ ผมหมวกเฮานอนมีแสดงออกอ๋อตรวจสอบกันอยู่ เป็นผลพวกเป็นคนอะไรล่ะสมมุติเค้าเรียกว่าคนอะไรนะแล้วก็ว่ามันอะไรก็มามามา <c oughs> ก็เหมือนตรวจสอบจริงๆเหลืออ่ามันต้องสร้างกระบวนการยุติธรรม ถ้าคนสร้างเอาสร้างสตินะเพราะมันหลงเค้าจะไม่เอาเค้า ไม่แม่คนใดที่จะวางให้ลูกเกิดอันตรายสติสัมปชัญญะ การนิเวศติที่เข้าไปเห็นอาการต่างๆของกิริตเรานะมันก็ไม่มีโอกาสชํานาญเหมือน มันเป็นมันๆปฏิปัฏฐานด้วยกรรมฐานด้วยชื่อแม้แต่ชื่อนั่นละมัด <c oughs> เปลี่ยนครบหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความผิดเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้มันภาวนานะอ่ามันชื่อโอ๊ยไอ้ชื่ออะไรก็ไม่เพาะมัน ค่อยดูแลไปค่อยดูแลไปเราก็ <c oughs> พอมาเห็นความคิดตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเลื่อนฐานะแล้วมันผ่านอะไรมาแล้วกว่าที่จะ มันคนละเรื่องกันน่ะพันเห็นความคิดตัวเห็นตัวเราจะมาดู มาดูรายมาดูๆนะตัด เป็น 1 เป็น 2 ไว้ได้ 1 iway ในประเทศไทย iway ออโลวีไฮเวย์ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาฟรีเวย์ทั่วประเทศวิ่งไปเท่าไหร่ ร้านอาหารในหมอด้วยพักรถตรงไหนมีหมอตรวจๆมีบึงในน้ํามีๆเขา ไปๆเขาสร้างบรรยากาศชีวิตเราเนี่ยฟรีเวพอฝึกหัดไปมันง่ายที่จะผ่านอะไรมาก็ผ่านเหมือนหลวงพ่อพูด ไป. <c oughs> ทุกข์เป็นความทุกข์ก็เป็นความยิ้มแต่ก่อนความทุกข์นี่หน้าเบี้ยวหน้า ไปเห็น 2 วันหายนั่นนะนะแต่นั้นพอมัน เห็นทุกข์เนี่ยยิ้มสุขชื่นนะมันต่างเก่าหลวงพลภาวะเดิมพอปฏิบัติเนี่ยหลวงพลภาวะ อ่ามาหมดเวลาแล้วนะอ่าก็สมควรที่เวลาแล้วเนาะเอาเท่านี้ก็พอแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ญาติธรรมมาสมมประสาทเข้ามาตามต้องคุณนานพร้อมทั้งญาติธรรมทั้งหลายแล้วก็มีอ่าเพื่อนเรามาใหม่ อาจารย์แล้วคุณๆมาจากแก่งคอยสระบุรีเออเรายังมีเพื่อนนิมิตรนะมาเธอผู้ แหมแต่ผมจะนอนอยู่ก็เอาฝามือตีฝาประตูโป๊กๆๆๆๆไม่ๆก่อนเพราะ อัพโสก่อนปฏิดูก่อนปฏิดูก่อนโต้ตอบทักท้วง โดยที่ให้มันเกินความกลัวไปความกลัวก็สุดไปแล้วมันไม่ยาวเท่าไหร่หรอกเราให้มัน กลัวแล้วมันเป็นใหญ่เกินไปให้มันเกินไปทั้งหมดให้มันทักท้วงเคียงคิดไหลกัน หายใจล่องๆพลิกมือช่วยกันหน่อยสูตรลมหายใจสักหน่อยนะมันจะขนาดไหนควบคุมไม่ให้เกิดการเจ็บปวดสมม นะเป็นยอด đời ชีวิตเราอย่าให้พลาดฐานชีวิต อ่าหลวงพ่อมาอยู่ก็มีคนอื่นอยู่มงรถอื่นมาอยู่ก็มีคนอยู่ไม่มีก็ถ้าหลวงพ่อยังอยู่จะไม่ไปไม่ใช่ไปไม่ต้องกลัวไปได้ป่ะอ่าตัวเราหลวงพ่อก็ช่วยกันก็ได้เวลากับเรื่อง ไปเพิ่งหลวงพ่อเทียนโอ้ยหลวงพ่อเทียนก็ไปเดินลานๆๆๆเราก็คิด มันหลงแล้วก็พลั่วเองมันผิดแล้วก็ทําเอายังมีสติเองตั้งรับฟังเนี่ยเราต้องห้อยไป ตัวแล้วแล้วแล้วคน